คือชีวิตประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมมักได้รับอิทธิพลจากพายุฝนติดต่อเป็นเวลาหลายวันในฤดูฝนเมื่อมีปริมาณฝนมากจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขยายวงกว้างเป็นประจำเกือบทุกปีสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธจึงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2533ณส า, าลาดุสิตดลัยสวนจิตรดาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขป้องกันหรือช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ภัยธรรมชาติเป็นครูสอนเราให้สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล อันช่วยให้เกิดการบรรเทาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้กรมทรัพยากรน้ำได้เตรียมการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้เพื่อรองรับปัญหาน้ำหลากและพายุฝนโดยได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-30 นิ้วจำนวน311เครื่องรถบรรทุกน้าจานวน32คันรถเครนจานวน31คัน ระบบกรองน้ำจำนวน4ี่ชุดนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งการบูรณาการระหว่างศูนย์เมฆขาและศูนย์นักราชเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีน้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม พร้อมให้การปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำโทร1 3 1่งหกด5หรือ w w w d w u r g o t h